ก็ให้รู้สึกตัวเนาะเป็นขณะเป็นครั้งครั้งนะไม่ได้ทํามากทําทีละครั้งรู้ทีละครั้งนแล้วก็จบลงนะทีละครั้งนะเหมืนเดินนะเดินทีละก้าวนะรู้สึกตัวทีละก้าวนะแต่บางทีมันก็จะรู้เพิ่มรู้แถมไปบ้างก็ ให้อย่าไปแบบอย่าไปโลภมากเนาะบางทีมันมันทีก็รู้ลมหายใจรู้ลมกระทบรู้เสียงกระทบแล้วก็เป็นของแถมไปหรือบางทีมันก็อาจจะลืมไปบ้างเนาะบางก้าวบางขณะที่ยกมือก็อาจจะลืมไปบ้างอา่าอย่าไปเครียดเกินไปนะเออรู้บ้างหลงบ้างนะอย่าไปคิดว่าเราจะต้อง ดูตลอดเวลาให้ได้ร้อยเปอร์เซนเลยนะมันจะจริงจังนะมันจะเคร่งเครียดนะทําเล่นๆนะดูเล่นๆดูบ่อยๆเนาะนี่คือเหมือนคล้ายๆมันก็ทําไปแบบนี้ให้มันเป็นความเคยชินเนาะเหมือนเล่นเกมนะเหมือนเล่นเกมแบบจะให้มันแบบเป๊ะทั้งหมดนะมันก็ไม่ได้นะเหมันให้มันบ่อยๆที่สุดนะเท่าที่มัน มันรู้ตัวเองได้ <c oughs> เพราะเอาเข้าจริงนะการเคลื่อนไหวของร่างกายมันก็เยอะมากนะทั้งหยาบทั้งละเอียดนะมันก็รู้เท่าที่มันรู้ได้การเคลื่อนไหวของจิตก็เหมือนกันนะเอาเข้าจริงมันก็เยอะมากนะคิดของมันเองไปดูไปฟังไปอะไรก็มันเกิดบ่อยมากนะ แต่บางทีเรากําหนดที่จะให้รู้มันละเอียดให้มันเร็วมันก็ไม่ได้ทุกขนาดหรอกนะเราก็ไม่ได้เป็นการกําหนดไม่ใช่เป็นการไปดักรอนะสําคัญนะเวลาเรารู้เราอย่าอย่าส่งจิตไปรอที่จะรู้นะไม่ว่าจะรู้กายก็เหมือนกันอย่าอย่าเผลออย่าบางทีมันจะถ้าเราตั้งใจมากไปมันจะไปรอที่จะรู้ เช่นก้าวเท้าไปนะบางทีไปรอดูตอนที่มันจะเหยียบลงไปเอยังไม่พลิกมือก็รอที่จะดูตอนที่มันพลิกมือเลยมันนะรู้ลงที่ปัจจุบันขณะที่เราทํำนะนบางทีจิตมันไปรอดูให้รู้ทันมันนะรู้ทันมันนั่นคือแต่บางทีอาจจะดูช้าไปสักหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไป แต่การไปดักรอรู้อ่ะไอ้ก็นั้นนะคือเหมือนเราเอาจิตไปไปรอดูจิตมันไม่ใช่หรือจิตไปรอดูร่างกายเองมันก็ไม่ใช่การดูที่ปัจจุบันเนาะอืมมันก็ที่จริงมันง่ายนะมันคือปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องคิดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการหาเนีย ไม่ใช่เป็นการรอไม่ใช่เป็นการหาแต่มันเป็นการพบพบกันจริงๆเนาะมันมามองเห็นโยมก็เนี่ยก็เห็นจริงๆดืมตาขึ้นก็เห็นนะก็นี่คือของจริงเนาะมันคือสิ่งที่มันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเลยนะแล้วก็ส่วน อาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะจะเป็นความคิดเป็นอารมณ์ต่างๆให้ให้มันเป็นสิ่งที่มันจอนเข้ามามันผ่านเข้ามานะไม่ใช่ไปหาดูไม่ค่อยไม่ใช่ไปเที่ยวค้นคนะว้าวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นอะไรนะให้มันผ่านเข้ามาแล้วค่อยค่อยเห็นมันผ่านแบบไม่ค่อยชัดไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ดูกายไปนะ เหมือนคล้ายๆเหมือนเราดูทีวีนะบางทีมันมียุงมาบินผ่านเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีบางทีคนมันเดินผ่านนะมันก็เห็นเองเพราะมันใหญ่มันชัดเนาะบางอารมณ์มันก็ละเอียดมากบางทีเราก็ไม่เห็นะบางความคิดมันก็แบบแยบคลายไม่เห็นก็เห็นเท่าที่มันเห็นได้เนาะแต่นี่คือมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยรู้นะ เวลาเกิดอารมณ์เกิดความคิด <Thankfully> ขึ้นมาอ่าแล้วเราค่อยรู้ว่าอ๋อเนี่ยดลงไปละนะเกิดอันนี้ขึ้นมาละนะรู้สึกแค่ว่าเออเนี่ยมันเป็นจิตมันคิดของมันเองจิตมันรู้สึกอย่างนั้นของมันเองนะมันเป็นอาการที่จิตเขาเกิดของเขาเองนะไม่ใช่เราอยากให้เขาเกิดอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่เราจะเบัมพับให้เขาไม่เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ ดูให้รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นของเขาเองมันเป็นของเขาเองเนี่ยเมื่อเราเห็นเขาชัดว่าเขาเป็นของเขาเองได้แบบนี้จริงอะ่ะคือการถอนความมีตัวเราหรือมีของของเราในการเข้าไปเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวตนนี้จริงมันไม่มีก็ตรงนี้แหละมันมีตอนที่เราหลง <c oughs> ก็เลยไปยึดก็เลยไปเป็น แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเห็นเฉยๆเนี่ยนะมันก็เป็นอาการ <c oughs> ไม่ใช่เป็นเราเป็นอาการเป็นอาการของเขาเป็นอย่างนั้นเองเนาะงั้นปฏิบัติเลยมันก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติให้ดีให้เก่งให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยมันเห็นว่าอาการมันเป็นของมันเองนะดีบ้างไม่ดีบ้างนะ เป็นเรื่องของอาการนะเราไม่ได้ปฏิบัติให้เราดีให้เราเก่งให้เราวิเศษให้เราเป็นนั่นเป็นนี่เลยมีแต่ว่าเห็นเห็นความหลงตอนที่มันเข้าไปเป็นนะเป็นเราเป็นของของเรานะเป็นหรือมีความอยากนะมีความต้องการมีความคาดหวังต่างๆเนี่ยนะพวกนี้นะเหมือนผีหลอกเรานะ แต่ผีผีจริงๆมันอยู่ในใจนี่แหละนะที่คอยดอกอมไม่ได้ผีข้างนอกนะเหมือนเคยรู้สึกไหมเวลาเรากลัวเวลากลังวลนะเรากลัวผีอยู่เนี่นนะไม่ได้เห็นผีข้างนอกนะแต่ความกลัวผีข้างในเราเนี่ยมันดอกเราด <c oughs> อกไม่เราไม่กล้าทำนั่นทานี่นะไม่ทันจะมีผีขึ้นมาเลยนะแต่ความกลัวผีนี่แหละ มันดอกให้เราทุกข์อะตัวที่ดอกจริงๆอะคือตัวข้างในเราเนี่ยแหละนะเราจะมาฝึกให้เห็นเขาดูท่อทันเขาเนี่แหละนะอืมสติเนะี่ยจะทำหน้าที่ในการเห็นแล้วมันมันจะถอนความเห็นผิดตรงนี้หละนะอืมแต่มันต้องค่อยๆ อ, อ, อาศัยการเห็นบ่อยๆนะเหมือนกินข้าวนะกินไปเรื่อยๆนะ มันมันก็ได้ผลทุกครั้งที่เรากินข้าวนะแต่มันจะถึงจุดที่ว่าอิ่มพอก็เป็นจุดของมันเหมือนเราไม่สบายบางทีก็ไม่ต้องกินยาต้องรักษาต้องให้เวลานะช่วยค่อยทำหน้าที่ของเราไปการปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ครับทำหน้าที่ทำหน้าที่ที่รักณา ทีละขนาดไปเรื่อยๆทำหน้าที่มีแต่เรื่องการนนะทำหน้าที่ ท, ท้ายก็ไม่ได้เอาอะไรมีแต่ทำหน้าที่ในการเห็นว่งมันวางมันปล่อยอะไรเป็นภาระอะไรเป็นความยึดติดอะไรเป็นสิ่งที่หนักอะไรเป็นสิ่งที่ทุกข์ไมมีแต่ปล่อยฮะเหมือนแต่ก่อนเราคิดว่าอันนี้ก็น่าเอา อันนี้ก็จาเป็นอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็เก็บไว้อันนี้ต้องสะสมเผื่อได้ใช้แต่เอาเข้าไปจริงนะหนักนะหนักหนักอะไรก็คิดว่าจะเอาหมดนะแต่จริงภาวนาเนี่ยเหมือนอันนี้เกินจาเป็นเขาออกเกินจาเป็นเขาออกจน ท, ที่จริงมันคล้ายๆเหมือนเหมือนเราจะเดินอะไม่ต้องเอาอะไรก็ได้หรอกเดินไป หิวน้ำเหรอสตินะเหมือนสตังเดี๋ยวไปเข้าเซเว่นซื้อก็ได้ไม่ต้องถือไปก็ได้คือ <c ười> แต่ที่เราถ้าเราคิดว่ามันเราต้องถือไปเนี่ยมันจะหนักมากจริงเดินในกรุงเทพเนนะี่ยสตินะ่ะเหมือนสตังเลยโยมเมื่อมันจำเป็นเมื่อไหร่แล้วลึกถึงสติมาแก้ปัญหาได้ทันทีแต่ที่เราคิดว่าเราต้องมีนั่นมินีเยอะฮะคือเราเป็นความกลัวเป็นความกังวลในใจ แต่จริงเห็นว่าอะไรมันหนักในตอนเนี้ยวางมาทันทีหนักในตอนนี้วางทันทีวางตรงนี้เลยเราพอถึงเวลาที่มันมันจําเป็นมันต้องใช้มันอาจจะไม่ทันใจเสียทีเดียวนะแต่จริงมันเหมือนคล้ายๆเรามีเครื่องมือในการสร้างสติได้บางครั้งมันหลงนะเราจะดึกเนี่ย ของพ่อเทียนมาให้เราสร้างสติก็สร้างสติขึ้นมาแต่ตอนนี้สติมันไม่พอก็สร้างขึ้นมาอมตอนนี้สติมันพอมันก็เป็นของมันเองไม่ต้องสร้างเนะมันก็เราคล้ายๆเหมือนเราพูดง่ายๆนะเหมือนเรามีความสามารถคล้ายๆว่า ม, มั่นใจว่าสมมติบางคนมั่นใจว่าเราไม่อดตายหรอกเรามีความรู้ จะไปไปสมัครงานไปทำตอนไหนก็ได้ประมาณนะ้ไม่กังวล น, นะไม่กังวลว่าจะต้องอดตายอันนี้ที่จริงถ้าเรามั่นใจว่าเราสร้างสติได้หมายถึงว่าถึงข่าวคับคันเมื่อไดนะสร้างสติขึ้นมาอยู่ได้นะไม่ต้องไปพกอะไรมากมายไม่ต้องไปกังวลมากนะมันมีแต่อ่ามันเป็นความ มันกลายเป็นความกล้าหาญน ะ, ะกลายเป็นความมั่นใจมั่นใจในสิ่งที่เราจะเจอในอนาคตอ ะ, อะไรก็ได้นะไม่ใช่จะเลือกเลือกมังเจอสิ่งที่มันง่ายเลือกต้น เ, เจอสิ่งที่เราชอบมันกลายเป็นความกล้าหาญนะกล้าหาญเจออะไรก็ค่อยว่ากันเป็นแบบนั้นนะเจออะไรก็อืม มั่นใจว่าสติจะช่วยได้เหมือนเหมือนนงคเทียนนะตอนที่ท่านไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นท่านยังไม่บวชอะที่แต่นี้มันอาจจะถ้าเราตีความเป็นภาษามันก็อาจจะท่านทำผิดศีลวันนั้นได้เหรอที่บอกอาจารย์นงคเทียนถามว่าเนี่ยถ้ามีเสือที่ถูกยิงหรือเสือเสือเสือที่มันบาดเจ็บอยู่ันป่า ถ้าอาจารย์บอกให้สลงพ่อเทียนมาหาเนี่ยจะมาหมต้องเดินผ่านผ่านป่า น, นั้นนะหวอเทียนอาจารย์บอกให้มาก็มาไม่กลัวเสือเขาทำร้ายเหรอไม่กลัวอืไม่แน่ตอนเจอเสือผมอาจจะฆ่าเสือก็ได้คือมันไม่ใช่เป็นการวิตกล่วงหน้าว่าถ้าเดินผ่านป่าเจอเสือต้องถูกเสือกัดแน่นอน ความมั่นใจเนะี่ยคือปัจจุบัน เ, เนี่ยเจอกันเนะ่เจอเสือเนี่ยตอนนั้นก็ค่อยว่ากันมั่นใจว่าอาจจะฆ่าเสือก็ได้อันนั้นแบบตอบแบบตอบแบบกล้าหาญเนาะแต่ถึงเวลาท่านจะฆ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มนหมานถึงว่ามันเป็นการอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอนาคตเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อืม นี่คือดังนั้นไม่ต้องไปอะไรล่ะไม่ต้องว่าปฏิบัติเพื่อจะให้มันมีนั่นมีนี่แล้วก็มันจะต้องอยู่กับเรานานๆนะไม่มีจริงหรอกอยู่นานๆนะนะ <c oughs> นั่นก็ทำไปทีละครั้งทีละครั้งไปให้คลายนะให้ทำแบบ เหมือนรักตัวเองเนาะเหมือนคล้ายๆในเชิงว่าเหมือนให้มันพอดีเดินก็ให้มันแบบพอดีพอดีอย่าไปแบบทําร้ายตัวเองนะเดินแรงๆทาหนักๆเลยนะมันทําให้เราเหนื่อยทําให้เราหนักเกินไป ท, ทําพอดีๆทีละขณะทีละขนาดไม่เร่งไม่รีบอะไรนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเฉืยเหนื่อยอะนะก็ อืมนะก็ถ้าใครจะไปเดินจงกรมหรือนั่งยกมือข้างบนก็ไปเชิญนะทำไปเรื่อยเรื่อยหรือถ้าใครสงสัยอะไรก็ก็มาพูดคุยและเปลี่ยนกันได้แลก็เดี๋ยวถ้าใครแยกไปปฏิบัติก็สักไปสามโมงครึ่งนนะ้อก็กลับมา